สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทกร์คนชอบเล่าก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพอดีวันนี้ไม่ได้ไปธุระข้างนอกครับก็เลยคิดว่าจะเอาเรื่องสั้นจากท่านสมาชิกมาถ่ายทอดให้ฟังกันต่อครับแล้วก็อีกแล้วครับท่านคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากท่านสุภาพสตรีนะครับขออนุ ญ, ญาตใช้แทนตัวสรรพนามว่าเรานะครับก็คือจะได้ไม่ขี้เขินเวลาถ่ายทอดต่ อ, อไปครับและเหตุผลที่อยากจะถ่ายทอดคลิปนี้ก็คือคอมเมนต์จากคุณพรทิพย์ที่บอกว่าได้ฟังจากออกซฟอร์ด ออกเสียงผีดหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็พอดีกับที่ผมได้ไปเจอเรื่องราวที่คุณนกทิสานแจกรุณาแบ่งปันแชร์มาให้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่างแดนไกลจากบ้านเราประเทศไทยคิดว่าคนที่อยู่ไกลบ้านน่าจะนึกถึงบรรยากาศออกแล้วเรื่องราวของคุณนกทิสานจะเป็นอย่างไรขอชันรับฟังครับคุณนกทิสานเล่าว่าสวัสดีเรชื่อละไมยหรือเรียกสั้นๆว่าใหม่ก็ได้เรื่องราวที่เราจะเล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2000สมัยนั้น เราได้รับคำเชิญวีซ่าท่องเที่ยวจากแฟนที่เราครบหากันอยู่อ้อแฟนเราเป็นชาวต่างชาตินะและเพราะว่าที่เราเป็นแฟนกันก็เป็นธรรมดาแหละที่อยากจะอยู่ใกล้กันเขาจึงได้ขอวีซ่าท่องเที่ยวให้เพื่อที่จะพาไปแนะนำตัวและทำความรู้จักกับครอบครัวของเขาซึ่งเราก็ไม่ได้ปฏิเสธไปด้วยเลยและเมื่อเราเดินทางไปถึงเราก็ได้ไปพักอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งไม่ใช่ย่านเดียว ก, กันกับที่พ่อแม่ของเขาอยู่เพราะว่าประเพณีและธรรมเนียมของชาวต่างชาตินั้นเมื่อถึงเวลาที่เขามีแฟนกัน เขาจะไม่พาแฟนไปอยู่ร่วมกับพ่อกับแม่ของเขาที่บ้านเขาจะแยกตัวออกมาอยู่ต่างหากนับได้ว่าตั้งแต่เป็นวัยรุ่นกันเลยก็ว่าได้ทุกคนเลยนะยกเว้นคนที่ไม่มีแฟนบางคนก็จะยังคงอยู่กับพ่อแม่บางคนก็จะไปหาบ้านอยู่เองเพื่อเป็นการสะดวกว่าเวลามีเพื่อนหรือมีแฟนก็จะถือได้ว่ามีพื้นที่ส่วนตัวขนบประเพณีของเขาจะแตกต่างจากบ้านเราส่วนบ้านหลังที่เราไปพักนั้นจะเป็นบ้านที่ตัวบ้านทำมาจากหินไม่ใช่บ้านที่ทํามาจากบล็อกเหมือนสมัยนี้ แรกเห็นก็ทำให้รู้ได้ว่าทำมาจากไอเดียและความสามารถของคนในสมัยก่อนลักษณะบ้านจะเป็นบ้านแบบ3ามชั้นติดติดกันแยกเป็นช่องใครช่องมันบ้านใครบ้านมันเป็นส่วนๆกันไปการดีไซน์ของตัวบ้านจะทําให้ได้รับแสงสว่างน้อยมากแฟนบอกกับเราว่าเขาซื้อทิ้งไว้ในสมัยบุกเบิกเธอเริ่มก่อร่างสร้างตัวและพอตัวเราได้เข้าไปอยู่ข้างในนั้นคงจะเป็นพระความที่ยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศเลยทําให้มีความรู้สึกเหมือนว่า เอ๋ ه, ทำไมเมืองนี้มันดูวังเวงพิกลบ้านนี้เมืองนี้ดูดไปมันช่างเหมือนหมู่บ้านในหนังเรื่องระคิวลาเหลือเกินคล้ายกับเวอร์ชันของบลัมสโตเกอร์เพราะว่าบ้านแต่ละหลังที่มองไปดูเหมือนจะไม่เป็นบ้านเหมือนว่าเจาะถ้าเจาะหินอยู่กันยังไงอย่างนั้นและพอใช้เวลามองดูรอบๆสักพักหนึ่ง<ม>ก็ไม่เห็นว่าจะมีผู้คนออกมาเดินเพ่นพ่านกันเลยมองดูที่หน้าต่างก็ปิดกันหมดความจริงแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ทันสังเกตว่าหน้าต่างเขามีสองชั้นและมีมา่านกั้นกันทุกหลังเลย ผมมองแบบลวกๆก็เลยคิดว่าเขาไม่ได้เปิดหน้าต่างกันพอเราเข้าไปด้านในแล้วจึงได้รู้แต่ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องอยู่เราก็อยู่ไปแหละเรียกว่าเป็นแม่บ้านก็ได้แฟนเราก็ไปทํางานทุกวันส่วนเราก็อยู่บ้านทุกวันเช่นกันพูดถึงแดดเรียกว่าแทบไม่ได้เห็นเลยยิ่งหน้าหนาวด้วยแล้วแทบไม่ต้องพูดถึงผมมองไปรอบบ้านก็ยิ่งทําให้นึกไปถึงเมืองผีดิบเข้าไปอีกโอ้สมองของเรามันช่างจินตนาการทําไงได้ก็คนมันว่างนี่ อยู่บ้านก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรทีวีก็ดูไม่รู้เรื่องไม่มีซับไทยให้อ่านด้วยทําได้อย่างเดียวคืองานบ้านซึ่งมีน้อยแล้วก็นอนวันๆก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นลู o เลยทํางานบ้านเสร็จก็นอนรอแฟนกลับบ้านจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งเราเกิดอาการว่าเฮ้อทำไมมันเงียบจังวันนี้เหมือนว่าเราอยู่คนเดียวเลยหมู่บ้านนี้ทำไมคนมันหายไปไหนกันหมดนะไม่เห็นหัวไม่เห็นหางกันเลยอุ๊ยขออภัยแค่หัวก็พอมองออกไปนอกหน้าต่างหยิบพักนึง รัตราก็ไม่มีผ่านเลยแม้แต่เสียงนกเสียงกาให้ได้ยินก็ไม่มีอะไรมันจะขนาดนี้มันเงียบวงเวงเหลือเกินอากาศก็เย็นครึมมืดหมอกทั้งวันเลยเราไม่ชินกับสภาพแบบนี้ที่บ้านเมืองของเราไม่เป็นแบบนี้บ้านเมืองเรามีแดดมีแสงตะวันจ้าคนพลุกพล่านคุยกันจอกแจก๊กจอแจแต่นี่อะไรเงียบสงัดมากอีกแล้วทําให้เรานึกไปถึงว่าอยู่ในหมู่บ้านของแดกิลล่าอีกแล้วความคิดพิสดารก็บังเกิดขึ้นจะมีอะไรมากัดขอเราไหมเนี่ย เราจะกลายเป็นแวมพายหรือเปล่าแอะปล่อยสมองให้มันหาไปพักหนึ่งแล้วเราก็กลับไปทํางานบ้านเรียบร้อยแล้วก็นอนรอแฟนกลับบ้านเหมือนทุกวันแล้วก็มีอยู่วันนึงเราก็ทําความสะอาดบ้านเหมือนทุกวันแต่วันนี้เราเปิดเพลงคลอไปด้วยเสียงดังลั่นเลยเพลงที่เราเปิดมีจังหวะเร้าใจมันมากเสียงครบทุกย่านทุ้มกลางแหลม เราเปิดกระหึ่มดอกลำโพงสะเทือนเพราะเราคิดว่ารอบข้างไม่มีคนอาศัยอยู่แน่นอนเพราะเราไม่เคยเห็นคนเดินเขาคงออกไปทํางานกันหมดแน่ๆเรื่องอะไรเราจะอยู่กับความเงียบเปิดเพลงซะเลยดีกว่าเราทํางานบ้านแบบเพลิดเพลินออกสุดท้าไปด้วยตามจังหวะเพลง and down. And down. Right and left. อัพแอนด์ดาวน์อัพแอนด์ดาวน์ไรท์แอนด์เลฟอ๋อลืมบอกไปว่าเรามีเพื่อนบ้านอยู่ข้างเดียวเพราะว่าอีกข้างนึงเป็นซากปรากหักพังตรงข้างที่คิดว่าจะมีคนอาศัยอยู่คือเพื่อนบ้านเราก็ไม่เคยเห็นเราก็เลยจัดเต็ม ถลายบรรยากาศที่มันเศร้าหมองและอึมครึมเงียบสงัดเปิดแบบเพลงดังสนั่นวันไหวบึมบึมบึมแล้วก็มันอยู่คนเดียวการดูดฝุ่นและการถูบ้านทำความสะอาดนั้นพื้นที่3ามชั้นกว่างานจะเสร็จก็หลายชั่วโมงเอาการไอเหนื่อยก็เหนื่อยจริงแต่วันนี้มันด้วยแต่อยู่บ้านแบบนี้นอกจากงานบ้านก็ไม่มีอะไรให้ทแล้วแหละและพอเสร็จจากงานบ้านก็เหมือนเดิมก็คือไม่มีอะไรให้ทแล้ว ซึ่งโดยปกติเราเป็นคนไทยนิสัยไม่ชอบอยู่เฉยอยู่แล้วชอบหยิบนั่นทำนี่พอไม่มีอะไรให้ทำก็จะหงุดห ง, งิดนิดหน่อยแต่มันจะทำอะไรได้ล่ะก็ที่นี่มันไม่ใช่บ้านเรานี่จะว่าไปตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ทำงานบ้านแล้วก็นอนแล้วก็เจอแฟนตอนกลับบ้านแล้วก็ดินเน่ากับแฟนแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาทำงานแล้วก็นอนแล้วก็เจอแฟนตอนกลับบ้านเห็นไหมว่ามันเป็นลูบเลยที่แตกต่างหน่อยก็คือเวลาตื่นเราจะตื่นสายแตกต่างกัน ส0บโมงบ้าง9ก้าโมงบ้าง11บเอดโมงก็มีเพราะว่าตื่นขึ้นมาก็ต้องมานั่ ง, งเงียบๆคนเดียวอีกแล้วคิดถึงพี่เบิร์ตเลยหากใครไม่ทันก็ไปหาฟังเพลงเอานะงเงียบๆคนเดียวความรู้สึกของเราคือว่ามันอ้างว้างมากวิธีแก้เหงาของเราก็คือทํางานบ้านทําทุกวันจนมันสกระปรกไม่ทันแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ทําก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรไปไหนก็ไม่ได้มันทั้งหนาวทั้งมืดครึมอยู่ได้ทั้งวันความครึมในที่นี้แต่จะครึมฟ้าครึมฝนเสียด้วยคือครึมมืดปกคลุมด้วยเมฆและหมอก พอทำงานบ้านเสร็จก็นอนขออธิบายห้องนอนก่อนนะรูปทรงของตัวห้องนอนจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ลักษณะคล้ายกับหลงศพมากคือว่าหัวกับท้ายห้องจะกว้างไม่เท่ากันแต่ที่มันเจ๋งไปกว่านั้นก็คือคือห้องห้องนี้คือจะขวางเรียกว่าขวางผ่าห้องเลยซึ่งตามความเชื่อของคนไทยเราเขาห้ามคือขวางห้องคนไทยเราถือและห้องนอนสี่เหลี่ยมที่เรานอนอยู่เนี่ยที่ว่าคล้ายกับหลงศพนี่ก็ใหญ่ไม่ใช่ย่อยทำงานบ้านเสร็จเราก็นอนแหละ เราก็นอนไปกำลังเคลิมคล้มๆได้ที่เลยตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มมีเสียงกระทืบผืนบ้านเกิดขึ้นราสะดุ้งเครื่องก็ยังไม่ได้หลับเลยสิ่งอะไรฮะคิดในใจใครทําอะไรกันนะเสียงดังมากเอ๊ะหรือว่าข้างบ้านเขาทําอะไรของเขากันนะตอนที่รู้สึกตัวและคิดอยู่ก็ไม่ได้ลืมตานะก็คมงกําลังจะเคลิ้มจะหลับอยู่แล้วรอฟังสักพักไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นอีกก็ตั้งใจจะหลับต่อเลยพอถึงช่วงที่กําลังจะเคลิ้มอีกครั้งหนึ่ง ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งเราสะดุงอีกครั้งคราวนี้สิ่งที่ดังกระทืบมาอยู่ตรงคือเฮ้ยไม่ใช่บ้านข้างๆแน่นอนเราคิดตุ้งตุ้งตุ้งสิ่งกระทืบไม่หยุดหย่อนเราจะลืมตาดูว่าสิ่งอะไรมันดังอยู่บนเพดานห้องปรากฏว่าเราลืมตาไม่ขึ้นเอ๊ะมันยังไงกันเราขยับไม้ขยับมือขยับตัวก็ยัง ข, ขยับได้นี่ยสิ่งตึง้งต้งกระทึบคื่อก็ดังไม่หยุดหย่อนตุ้งตุ้งตุ้งสิ่งกระทืบยิ่งดังลั่นขึ้นเรื่อย ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งเรารีบเอามือมากุมหน้าพัชยยามจะลืมตาขึ้นดูตุบอะไรนะมีเสียงอะไรก็ไม่รู้มาหล่นลงข้างเตียงตรงฝั่งปลายเท้าเฮ้ยลืมตาให้ได้สิลืมตาจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ไม่ว่าจะทํายังไงก็ลืมตาขึ้นไม่ได้พัชยามามือแกะเปลือกตาก็แล้วรู้ตัวอีกทีการหายใจของเราก็ไม่เป็นจังหวะเสีแล้วมันทั้งกลัวทั้งอึดอัด ไม่ผิดแน่มันกําลังเปี่นขึ้นมาหาเราเอาแล้วสิเอาอยัางไงดีเนี่ยเราตั้งใจจะรีบลุกขึ้นพระเจ้าช่วยปรากฏว่าตอนนี้เราขยับตัวไม่ได้มือเราทําได้เพียงคงขังอยู่ที่ใบหน้าเรานอนตัวแข็งทื่อเฮ้ยเราสัมผัสได้ถึงเตียงที่กําลังมีการยุบตัวอะไรก็ไม่รู้กําลังใกล้เข้ามาหาเรายบุยบยุบแล้วก็ยวบตอนนี้เราเริ่มหายใจไม่ออกขยับอะไรก็ไม่ได้เลยรู้สึกเหมือนว่ามีบางสิ่งพยายามจะสิงเรา พยายามจะทับร่างเราโอ้ไม่นะเราไม่ยอมเราพยายามดิ้นดิ้นแล้วก็ดิ้นแต่เราก็ดิ้นไม่ได้หายใจก็ไม่ออกมีความรู้สึกเหมือนจะขาดใจตายให้ได้เลยเราพยายามดิ้นต่อไปจนในที่สุดมันก็ได้ผลเราเริ่มขยับได้บ้างเราดิ้นทุรนทุนทนรายฟัดเวียงกันพลวันกับอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่เห็นทั้งกลัวทั้งตกใจพยายามดิ้นรนช่วยตัวเองอย่างสุดๆ เรารู้สึกว่าเขาสัมผัสเราได้อะไรก็ช่างเถอะแต่ในทางตรงกันข้ามในระหว่างที่ปัดป้องและดิ้นรนเราไม่สามารถจับเขาได้ขวาโดนเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดเป็นพระวตาเราก็ไม่เห็นฟาดกันพลวันวุ่นวายอยู่บนเตียงอีกฝ่ายที่จิ๋วโจมก็กะจะเอาเราให้อยู่กะจะครอบงับเราส่วนเราก็ต้องการเอาชีวิตรอดทางป้องกันของเราก็คือขวายคว้าตามอากาศมั่วไปหมดใช่เราขวายคว้าโดนแต่อากาศเราจับสิ่งที่กำลังคล่มตัวเราอยู่ไม่ได้เลย การดิ้นรนต่อสู้ระหว่างเรากับอะไรก็ไม่รู้ใช้เวลาอยู่พักนึ่งจนกระทั่งเราเริ่มลืมตาได้และสิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้มาเป็นตัวเป็นตนแต่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนพลังงานถ้าจะให้วาดภาพก็เหมือนกลุ่มก้อนเมฆดำๆดีๆนี่เองมันน่ากลัวก็ตรงที่ขอสัมผัสเราได้แต่เราสัมผัสเขาได้แต่เพียงอากาศหลับตาก็กลัวอยู่แล้วแต่พอลืมตาขึ้นแล้วได้ไม่เห็นก็ยิ่งกลัวไปกันใหญ่จะบ้าตายงานนี้จะรออะไรสวดมนต์เซเรารียบตั้งสติสวดมนต์ทันที บทไนที่ดีบทไหนที่เขาว่าขลังทั้งพ่อแก้วแม่แก้วหรือคนมาทั้งกองทัพด้วยความกลัวตกใจกลัวว่าตัวเองจะตายด้วยแค่น้ำโมู ก, ก็ยังสวดผิดสวดถูกอยู่เลยแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยรู้สึกอ้างว้างโอนจริงๆไม่มีใครจะช่วยเราได้เลยไม่มีเลยสักคนสักพักหรือเริ่มหมดแรงคิดในใจว่าหากมันจะตายจะขาดใจตายก็ให้มันตายไปเลยปล่อยให้เขาครอบงำให้เขาสิงเสเลยดีกว่าคิดได้ในใจอย่างเดียวตอนนั้นคือรอดก็รอดไม่รอดก็คือตาย สุดท้ายก่อนที่อะไรๆมันจะสิ้นสุดลงเราปล่อยจิตให้ว่างเราก็ตั้งใจท่องบทสวดนมโมทสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสระครบสามรอบพอเราท่องนมโมรอบสุดท้ายจบพลันมีสิ่งมหศจรณฑ์เกิดขึ้นกลุ่มก้อนพลังงานที่กำลังตั้งใจทำร้ายเราหยุดชะงักเรารู้สึกได้ถึงลมหายใจหลังจากที่ท่องมดจบแล้วก็เห็นว่าจะก้อนพลังงานสีดำที่ทับเราอยู่นั้นมันกระเด็นออกไป โทษทีลืมบอกไปว่าชั้นสามที่เรานอนอยู่นั้นจะมีการกั้นเป็นห้องคือห้องนอนกับห้องแต่งตัวในห้องแต่งตัวจะมีหน้าต่างในห้องนอนไม่มีจะเจาะช่องเล็กๆติดม่านบางๆกัน้นระหว่างห้องไว้ตอนที่กลุ่มก้อนพลังงานเขากระเด็นออกจากตัวได้ยินเสียงดังพลุบเรารีบเด็ดตัวลุกขึ้นนั่งทันทีเห็นม่านในการช่องระหว่างห้องนอนกับห้องแต่งตัวปลิวว่อนเลยเลยรีบวิ่งออกมายืนอกสันขวัญหายอยู่ตรงบันไดาทางลงซึ่งอยู่ตรงห้องแต่งตัว หันไปมองดูตรงช่องเชื่อมระหว่างห้องแต่งตัวกับห้องนอนที่มีม่านกั้นอยู่ที่ซึ่งผ้าม่านเพิ่งเปลิวอนต้องขอบอกก่อนนะที่บ้านหลังนี้หน้าต่างเป็นสองชั้นคือเป็นกระจกและก็บานไม้อีกทีหนึ่งไม่มีทางเลยที่ลมภายนอกจะเข้ามาได้ระหว่างที่กําลังยืนตกใจขาสั้นอยู่นั้นตุงตุงตุงตุงต้งเสีย ง, งกระทืบเท้าดังขึ้นต่อหน้าเลยโอแม่เจ้าใครจะอยู่ได้หลังงานนี้รีบเห็นทันเทจะอยู่ให้ค่ารอบสองเหรอเคยได้ยินได้ฟังคนบอกว่าเวลากลัวผมจะร่วง เพิ่งจะไม่รู้ว่าจังจริงๆก็ตอนนี้แหละว่าอาการของคนที่ผมร่วมหมดหัวมันเป็นยังไงซึ่งก็รู้ได้โดยหัวนี้มันรู้สึกเบาหมดเลยเหมือนผมที่อยู่ข้างบนจะร่วงไปจนหมดแล้วเรียกว่าร่วงมาจากรากเลยเราช็อกตัวสุดขีดกับอาการที่เกิดขึ้นรีบวิ่งลงมาที่ชั้นสองหยิบมือถือแล้วก็โทรหาแฟนเว้นกคำส้ำเตมิมมือถือไม่มีคลื่นโทรยังไงก็โทรไม่ติดเสิ่งกระทืบข้างบนก็กระทือบไล่อยู่นั่นแหละตุ้งตุ้งตุ้ง ไม่รอช้าวิ่งตรงไปที่ประตูบ้านแล้วก็เปิดประตูออกไปอยู่กลางถนนในชุดนอนนั่นแหละ <c oughs> คิดถึงสภาพตอนนั้นไม่อายแต่กลัตายมากกว่าเมื่อโทรหาแฟนแล้วก็ไม่ติดในสถานการณ์แบบนี้คือโทรหาแม่แฟนดีที่สุดมาม่ามาม่าไอเอ็มแผลมดด้วยความกลัวพูดไม่ได้สับจับไม่ได้ความเลยแต่แม่ของแฟนเป็นคนฉลาดเดาได้ว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็เลยรีบโทรศัพท์หาแฟนให้ระวังสายแล้วก็รออยู่หน้าบ้านนั่นแหละไม่กล้าเข้าไป พักหนึ่งแฟนเราก็กลับมาเราดีใจมากแฟนพาลูกน้องมาด้วยพอเห็นเราก็ตกใจแล้วก็รีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยบอกกับแฟนไปว่าฉันฉันเจอผีหลอกกับคุณผีมาเล่น ง, งานฉันเกือบตายเลยแหละทั้งลูกพี่ก็คือแฟนและลูกน้องที่มาด้วยกันต่างตกใจแล้วก็งงไปตามๆกันเขาก็รีบพากันเข้าไปดูในตัวบ้านปรากฏว่าทุกอย่างก็เป็นปกติดีแฟนก็หันมายืนยันว่าไม่มีอะไรหลอกแล้วก็ถามเราว่าคุณฝันไปหรือเปล่าเราก็ชุนนิดๆ น, นะก็เลยบอกแฟนไปว่า จะบ้าเหรอฝันแล้วก็บินออกมากลางถนนทั้งชุดนอนนี่นะโชคดีนะที่คลุมชุดนอนมาไม่งั้นม่หวังเอาปี๊บคลุมหัวแน่แนได้ไอายคนทั้งหมู่บ้านแน่แนเลยวันนั้นเราเข้าบ้านแฟนอยู่ด้วยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเพื่อนของแฟนมาเที่ยวหาที่บ้านแฟนเราก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนเขาก็ออกความเห็นว่าคนข้างข้างบ้านหรือเปล่าเขาพจายามจะเข้ามาในบ้านนี้หรือเปล่าเขาว่าจจะเห็นว่าคุณอยู่คนเดียวก็เลยถามแฟนว่าเวลาที่แฟนออกจากบ้านได้ล็อกประตูบ้านหรือเปล่า แฟนก็ตอบไปว่าล็อกอา้าวแล้วคุณจะเข้าบ้านได้ทางไหนอีกละ่ะขึ้นเขาก็ถามอีกแฟนเราก็บอกเพื่อนว่าหน้าต่างบนหลังคาไงพอเราได้ยินเราก็บอกว่าขนาดตูวคุณยังเข้าไม่ได้เลยแล้วใครจะเข้าได้ละ่ะคนจะเข้าได้น่าจะตัวเล็กๆ เ, เหมือนฉันนี่แหละถึงจะเข้าได้แฟนเราก็ออกความเห็นว่าสงสัย จ, จะหนูมั้งหนูบ้านคุณสิกระทืบบ้านซะอย่างกระช้างเลยตัวคุณยังไม่อ้วนเท่าเลยนะฟังจะเสียงกระทืบนะ่ะระบอกพลังโมโหเพราะว่าไม่มีใครเชื่อเรา มีปีนขึ้นมาบนเตียงด้วยนะจะฆ่าฉันให้ได้เลยฉันเกือบตายนะ่ดีนะที่หนีทันแฟนได้ฟังก็หันไปปรึกษากับเพื่อนของเขาและเพื่อนแฟนก็บอกว่าสงสัยมีคนพยายามจะปล้ำเธอมัง้งแล้วไหนล่ะคนที่จะปล้ำฉันน่ะฉัลุกขึ้นได้ก็ไม่เห็นมีใครเลยสักคนมีแต่เสียงแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนพยายามจะฆ่าฉันนั่นแหละเราก็ได้แต่บอกไปตามนั้นแล้วเขาทั้งสองคนกับเพื่อนก็คุยกันแบบอุบอิบ อ, อุบอิบไม่รู้ว่าคุยอะไรกันสมัยก่อ น, นเราฟังภาษาฝรั่งเศสไม่คเคยออกด้วย ล้วพอคุยธุระกันเสร็จทานข้าวเสร็จเรียบร้อยเพื่อนก็ขอตัวกลับบ้านแล้วเมื่อเพื่อนก้าวผลประตูบ้านออกไปเท่านั้นแหละตุงตุงตุงตุงตุ้งตงมีเสียงกระทืบเกิดขึ้นโอ้โหโอ้โหคราวนี้จะหนักให้เลยทั้งเราและแฟนเจอทั้งคู่เลยกระทืบได้ดังมากสะใจจริงๆพวกเรารีบพากันวิ่งขึ้นบ้านไปที่ชั้นสองเรารีบหยิบมีดแฟนเห็นก็ตกใจถามว่าไปทำอะไรเสฉันก็ไปป้องกันตัวไงถามได้เรารีบบอกแฟนไป แ, แฟนเราก็ตะโกนด่าลั่นด่าแต่คำหยาบคายออกไปตุ้งตุ้งตุ้งเสียงกระทืบก็ไม่หยุดสักพักก็มาดังอยู่ที่ห้องแต่งตัวใกล้บันไดนี่แหละเรามองหน้ากันแล้วเราทั้งสองคนก็รีบผากันเพ่นเลยลงมาชั้นล่างระหว่างวิ่งกันลงมาแฟนก็บอกว่าเสียงคนกระทืบเสียงคนกระทืบไหนล่ะไหนล่ะคนที่กระทืบนะ่ะแล้วมันก็มากระทืบคื่อแล้วห้แต่งตัวบ้านเราได้ยังไงคุณเห็นตัวมันไหมล่ะแฟนเราก็บอกว่าไม่เห็นหรอกเราก็เลยบอกว่า เห็นไหมล่ะฉันบอกคุณแล้วคุณก็ไม่เชื่อหนูหนูห น, หนูไหนล่ะหนูเป็นยังไงตัวใหญ่ดีไหมหนูคุณน่ะกระทือบสะบ้านแทบพังเลยเราก็เลยเดินออกจากบ้านเขาก็ถามว่านั่นคุณจะไปไหนล่ะเอา้าถามได้ก็จะไปนอนที่บ้านแม่ของคุณไงหรือว่าคุณจะนอนอยู่ที่นี่คุณเดียวก็ได้นะตามสบายแต่ตัวฉันจะไปนอนที่บ้านแม่คุณแหละอยู่ไม่ได้หรอกเราก็บอกแฟนไปแล้วแฟนก็บอกเราว่าไม่เอาผมไปด้วยเจอแบบนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันแหละแล้วเราสองคนก็ไปนอนที่บ้านของแม่เขา บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือจริงๆแล้วบ้านข้างๆที่เป็นสรางปรักกับพังนั้นเมื่อก่อนนั้นมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นไวยกลางคนภรรยาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาต้องทนทุกข์กทรมานแสนสาหัสทุกๆวันอาการของเขาเกินที่หมอจะรักษาได้สามีรู้สึกสงสารอย่างยิ่งทนเห็นภรรยาตนเองทรมานแบบนั้นทุกวันไม่ได้สามีก็เลยเอาปืนยิงภรรยาตายแล้วก็ปิดชีพตัวเองตายตามเพื่อที่จะหนีความทุกข์ทรมานที่มี เราก็เลยคิดว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปเปิดเพลงเทคโนเสียงดังเป็นการไปรบกวนเขาคนแก่มักจะไม่ชอบเสียงดังคงจะรําคาญซึ่งแฟนเราเองก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังเขาบอกเหตุผลว่ากลัวว่าเราจะกลัวแล้วก็คิดว่าคนที่ตายไปแล้วก็คือว่าตายไปแล้วไม่มีอะไรหรอกมันก็ควรจะจบไปแล้วแต่รู้อีกทีก็ไม่ใช่สรุปก็คือเราได้ไปทําบุญที่วัดไทยในต่างแดนแล้วก็กรวดน้ํา ข, ขอขมากรรมที่ทําเสียงดังรบกวนด้วยเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจ แล้วก็ไม่เคยได้รู้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ใกล้ๆถ้ารู้เราก็คงจะไม่เปิดเพลงเสียงดังและสร้างความรำคาญให้เอาจริงๆก็คือคงไม่กล้ายอยู่ด้วยแหละกลัวมากอยู่เมืองไทยเรื่องผีวิญญาณมีเยอะแยะไม่อยากจะเจอดันมาเจอดีเขาให้กับผีฝรังกับเมืองที่ไม่เคยเชื่อเรื่องว่าผีวิญญาณมีจรงิงหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราจะระวังตัวมากกับเรื่องแบบนี้แต่ก็ยังไม่ไวายนะเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ได้มีโอกาสได้ไปอยู่เราได้ไปเยี่ยมสุสานของคุณย่าทวดก็ตามภาษาเวรุ่น ไปถึงก็เคาะสุสานคุณย่าซัดสนันวันไหวเพราะว่าหูประตูห้องสุสานของคุณย่าทั่วจะเป็นเหล็กเวลาเคาะก็ต้องดังมากนี่เล่นเคาะกลองกลองกลองคุณย่าหนูมาแล้วค่ะหนูมาเยี่ยมคุณย่าค่ะเท่า น, นั้นแหละแม่เจ้ากลิ่นศพน่าตรุปอบอวนทั่วสุสานเลยแหละชัดเจนและแน่นอนว่าต้องเป็นคุณย่าทั่วแน่ๆเพราะไม่ว่ากลุ่มเราจะเดินไปทางไหนหกลิ่นก็ตามไปด้วยกลิ่นแรงมากจนหายใจแทบไม่ออกเลยเขาเรียกว่าเหม็นขมคอเหม็นจนอยากจะอาเจียนให้ได้ นี่เป็นเหตุการณ์ตองกลางวันแสกๆเลยนะจนแฟนเอ่ยปากว่ากลิ่นน่าอะไรแรงจังเราก็เลยบอกว่ารู้แล้วอย่าทักพร้อมทั้งพูดออกไปว่าคุณย่าคะหนูรู้แล้วคะ่ะหนูขอโทษคราวหน้ามาหนูจะไม่ทําเสียงดังรบกวนคุณย่าอีกแล้วคะ่ะพอแฟนได้ฟังก็ยืนงงใหญ่คนนี้พูดกันเดียวก็เป็นแฮเขาบอกพร้อมกับหัวเราะเราก็เลยบอกว่าจะบ้าเหรอฉันคุยกับคุณย่าพอเราพูดจบเชื่อไหมกลิ่นหายไปเลยเบาบางลงมากกลิ่นที่เหม็นมากจนชวนให้จะอาเจียนนี่แหละ ค่อยๆจางค่อยๆจา ง, จางห่างออกไปจนหายไปหมดสิ้นและจากนั้นไปต้นมาเราจะระวังในเรื่องนี้มากจากคนที่ไม่เคยเจอไม่เคยเชื่อไม่เคยรลหลูแต่เดี๋ยวนี้หางจุกเลยแหละกลัวและระวังมากเป็นพิเศษจากประสบการณ์ที่เคยเจอมากับตัวเองแล้วก็ภาวนาขออย่าให้ได้เจออีกเลยหลายคนที่ไม่เคยเจอและมักอยากล้องของด้วยมีมากแต่ถ้าใครมีโอกาสได้เจอแบบที่เราเจอก็คิดว่าเขาคงจะจาได้ขึ้นใจจนวันสุดท้ายเหมือนอย่างที่เราจาได้ และหากว่าผู้ฟังทุกท่านเจอกับสิ่งลี้ลับขอฝากไว้แค่บทเดียวตั้งจิตให้ว่างน้โม3จบรอดแน่นอนเรารอดมาแล้วถือว่าใช้ได้ผลกับตัวเองและนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ของเราที่ได้ไปเจอมาครับผมแล้วเรื่องราวประสบการณ์จากต่างแดนก็จบลงครับก็ขอขอบคุณคุณนกที่สานนะครับเอ๊ะหรือว่าเรียกคุณไมเดอเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆครับและก็ขอขอบคุณสําหรับคําอวยพรด้วยนะครับอันนี้ผมเห็นคุณเดียว ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขจากการรับฟังนะครับการถ่ายทอดหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเรื่องทุกเรื่องให้ฟังเพื่อความบันเทิงคิดเป็นชีวิตก็ได้กําไรครับมีสุขแล้วก็ยังคงส่งเรื่องราวมาได้เรื่อยๆนะครับสําหรับท่านที่ถามว่า YouTube เป็นยังไงตอนนี้ก็ยังไม่อนุมัติครับปลายเดือนเดือนยื่นขออีกทีนึงเอาล่ะครับตอนนี้ก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ํารวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบ อุดมด้วยสติปัญญาในการดำเรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ